ที่ไหนก็บอกอเทศของจริงให้คนฟังคือปฏิบัติธรรมที่ไหนเขาก็ปฏิบัติธรรมกันอนี้บานขุด ง, งนี่ก็ปฏิบัติธรรมกันอยู่ มุกอาหานหนองหารหลอยที่ที่เป็นงานสืบสารนโพเทียนร้ยปีหนองจาก็ไปสอนทมที่ภูเก็ตสงขลาบัดใหญก็ไปพูดเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละ เพราะการปฏิบัติธรรมมันทันสมัยมีกายมีใจต้องสอนขายสอนใจให้มันใช่ได้ถ้าไม่สอนมันใช่ไม่ได้มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความโกรธโลภหลงเกิดกับกายกับใจ ถ้าสอนมันแล้วมันจะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์้วก็จะมีชีวิตคีว่าการเจริญสติมันเป็นการโดยตรงเกีับเรื่องนี้เห็นยบกรรมฐานที่ตั้งของกัคธรรม มีสติไปในกาลถ้าเห็นกาลก็เห็นกิจเห็นเรื่องเดียวเห็นสองเรื่องเรื่องกาลเห็นอยู่บ่อยๆเรื่องกิจที่มันคิดขึ้นมาก็เห็นบ่อยๆเห็นทีลยก็คือสติคือการเห็นเห็นไปเห็นมานานเข้าเห็นเป็นรูปเป็นนาม เห็นเป็นรูปเป็นนามมันบอกความเท็จความจริงแล้วบบดนี้ลองหลงไม่จริงคมไม่หลงมันจริงแต่ก่อนไม่รู้ความจริงความเท็จอะไรก็เป็นไปกับการแสดงออกธรรมชาติอาการของรูปของนามแต่มันสุกก็สุกทอทุกข์ก็ทุกข์แต่มันคิดก็คิด เป็นสุขเพราะกายเป็นทุกข์เพราะกายเพราะรูปเป็นสุขเพราะนามเป็นทุกข์เพราะนามเพราะจิตถ้ายังไม่เห็นถ้าเห็นแล้วไม่ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์มันบอกมันเป็นความไม่เป็นนาการเป็นธรรมชาติกายใจรูปรูปนามก็ใช้ได้อาศัยได้ สำเร็จประโยชน์ได้โยอใหม่เหมันโปรนเพื่อนใช่ไม่เป็นเราไม่ลูกมันโปรนเพื่อนมันตายตายพันนะเป็นต้นไม้ต้นข้าวพืชผักก็กลายพันธุ์ไปคุณภาพไม่มีเมื่อหมนกลายพันธุไปแล้ว กายกกตตกกายิุ่กกิจเตกิกจที่ ก, กสุกกายเป็นสุกกายยิ่ทุกข์ใจยิ่ทุกข์ใจเป็นสุขเป็นทุกข์กายพันถ้าเรามีสติมันก็ได้พันใหม่ได้โยดใหม่คัดใหม่เห็นไม่ใช่สุกไม่ใช่ทุกข์ เรียกเป็นอาการเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นอาการเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งน่าจะขอบคุณธรรมชาติอาการเหล่านี้เพราะมันเป็นประโยชน์ทำให้เรารู้ว่ามันผิดถูกยังไงเท็จจริงยังไงเกี่ยวข้องมันถูกท้องถ้าเราได้เห็น แยกเป็นวิปัสนางานจะเกิดอย่างนี้เกิดวิปัสนาเพราะกรรมฐานเป็นต้นเหตุเพราะมีการกระทํามีที่ตั้งนั้นเราทํานามีการกระทํานาก็เสร็จทำบ้านทําเดือนบ้านเดินก็เสร็จทํำอะไรก็เสร็จก็มีที่ตั้งของการกระทําปุกอาหารก็ได้กินเนื้อข้าวก็สุกได้กิน เมื่อได้ชินเราก็กลายเป็นเลือดเป็นเนื้ อ, นนอมีชีวิตกำบันเถรในวิปัจนาคือได้ชีวิต <c oughs> ชีวิตมันไม่เป็นอะไรมีจะเห็นต่างเก่าพ้านภาวะเดิมแต่ก่อนเคยสุขเคยทุกข์วันนี้เห็นมันสุขมันทุกข์ เรียกว่าได้ชีวิตมันได้ยอดใหม่มความหลงกลายเป็นความไม่หลงความโกรธความทุกข์ความโลภความหงุดหงิดความเศร้าหมองก็ดต้นหากลายเป็นเห็นไม่เป็นไปกับเรื่องนั้นหรือว่าได้ชีวิตขึ้นมาในพันใหม่ ีเราต้องคัดพันใหม่อยู่เลยตั้งต้นใหม่อยู่เลยเหมือนพืชพันต้องคัดพันใหม่อยู่เสมอจึงจะได้กลุนอภาพข้าวก็คัดพันใหม่พืชผักก็คัดพันใหม่ มีเกษตรศาสตร์ไม่แปลงทดลองทดลองแล้วทดลองอีกจนได้ใหม่ได้พันใหม่ขึ้นมาหน้มีคุณภาพความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงหลงที่ใดก็ไม่จริงสักทีไม่หลงที่ใดก็จริงทุกที ทดลองหรือว่าปฏิบัติสัมผัสสัมผัสกับความหลงสัมผัสกับความไม่หลงสัมผัสกับความทุกข์สัมผัสความไม่ทุกข์หรวยทดลองแล้วก็ได้คุณภาพเลือกได้หรือว่าเนี่ใช่ได้ความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์ไม่ มันจริงเนี่ยคุณภาพขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพก็ใช้ได้ชีวิตที่ใช้ได้ลูกนาำก็เลยแม่มีภาละแต่ก็มีพระมากรูกด้ดีขันหน้ามันหนักเวทนาก็ทุกข์สัญญาก็ทุกข์สงขารก็ทุกข์ปี ญ, ญ่ก็ทุกข์แบบนี้มันไม่ทุกข์มันก็เลยเบา <c oughs> ไม่หนักก็เลยเป็นธรรมรล้ว่ารูประหว่างนามเป็นธรรมต่อกันช่วยกันช่วยกันขอบคุณรูปนามที่มันมีสุขมีทุกข์มีรอ้อนมีหนาวทำให้เราได้พ้นจากภาวะเช่นนั้นเพราะสิ่เร่า น, น้ามันช่วยกัน นั่นเลยเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งลูกประธรรม ท, าทน า, มมาทนมัธยธรรมแต่ก่อนมันเนบะียดเบียนกันลูกก็บีดเบียนนามน้ำก็บีดเบียนลูกถึงเช่นเรานอนอยู่น่ยนอนลูกมันนอนอยู่เป็นลูกจริงจริงลูกนอนม่ ลักษณะการนอนเวลานอนหนึ่งทุ่มสองทุ่มแก่น า, นามคือความคิดคือรู้สึกได้ธาตุรู้มันยังไม่นอนด้วยมัวิ่งไปนั่นไปนี่อยู่แต่ที่ลูกมันจะพักผ่อนแล้วทํางานมาตั้งสิบกว่าชั่วโมงแก่น า, นามนี่คือความรู้ธาตุรู้มันยังไม่หลับไม่ ยอมหลับมันยังไปติดไปเปื้นไปเพื่อนอะไรมาเป็นสัญญาอะไรมาไปติดอะไรมาจะติดสุขติดทุกข์ที่ไหนติดโกรธติดรักพอใจไม่พอใจที่ไหนโอนเพื่อนอะไรมาแล้วก็ <c oughs> ยังไม่หลับหลับไม่เป็นลิ้นยานธาตุนี่คือมันลู้อะไรเนี่ย ในไหลอยู่เช่นนะั้นก็เราฝึกมันก็อยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยกันกายมันนอนขี้เลียกายมันนอนรูปมันนอนใจนามมันก็อยู่อยู่ด้วยกันมืนกับทำสอนของที่เบ็ดโคถึก จับคถึกคนหนึ่งจับโคถึกพระยอมจับโคถึก <Okay. S 1> เอาสิ่งล่มันเอาหญ้าล่อพอเลยจับได้พอจับได้ก็วิ่ ง, งดึงกนไป <c oughs> เอาทีก็ละไปเอาข้อหยอดไปแล้วก็ดึงกลับมาแต่ไม่วางกก่งเกินเลที่สุดถูกดึงกลับมา วิ่งไปดึงกระปาอาไปมาก็ถูกการดึงรู้จักดึงรู้จักเชือกคูถึกรู้จกเชือกแต่ก่อนต้องดึงแรงขันเฉยต้นไมยไว้เดึงหลายครั้งหลายคราวก็ไม่ต้องดึงแรงก็ถูกนิดหน่อยเหมือนกับฝึกบูฝึกกวายเทียมผ้าเทียมไถเทียมโลเทียมเปลี่ยน แต่ยัางว่าเปลียนก็ดึงหน้าดังคนดึงดึงไปข้างหน้าคนหนึ่งดึงขึงง้นทั้งหลังแล้วมันถอยหลังก็ดึงไปข้างหน้าถ้ามันจะวิ่งไปข้างหน้าก็ดึงขึ้นทั้งหลังแต่มาก็รู้จับใช้คำว่าดึงก็คือให้หยุดคําว่าดึงไปข้างาคือให้เดินไปแล้วพูดด้วยไปห<ป>ยุดมีคําพูดออกมาดว้วย ไปทางซ้ยก่พัดหรือพัดไปขัวก็ดึงก็พัดดึงบกด้วยซอยขัวขัวที่ไหนก็ดึงซอยที่ไหนก็พัดพัดเชือกแทบข้างเคยไหมเคยพัดเคยจับวัวจับควายไหมเอานไปทางกน ส้างนี่ก็อันนี้นเสือกเนี้ยเนี้ น, ก น, น, น, น, น้ก็ไปัวาไปขวาก็ดึงกันมาดีกันไหส้ า, สายขวาส้างขวานเราจักรวรรนิสอนอยู่ไม่นานที่แรกก็สองคนนะไอ้น้องจบับดึงไปข้างหน้าขวอยู่ตองข้าง ไถอยู่ด้างหลังเราก็อยู่ด้านหลังไทยมีสี่สีสมีคนหนึ่งดึงไว้ข้างหน้าอันที่สองคือควายอันที่สามคือไถคือโล่คือเกียนอันที่สี่คือคนผู้ที่ขับไปข้างหลัง คนที่เข้าไปทั้งหลังก็มีแต่พูดต้องพูดต้องดแสดงเส้นเชือกให้มันรู้จักมันก็เป็นละบ้างถกสอนไปหลายบังก็เป็นละบ้าไม่คนดึงก็หนีไปไม่ได้ดึงเชือกก็ไม่ได้ใช่มากเพียงกระดูกกระดิกที่เดียวใช้คำพูดหรือเงียบไปก็วี แต่มันเป็นแล้วมัต้องใช่เลยมันเงียบไปทั้งหมดทั้งคนทั้งอะไรหมดเงียบไปเลยมันลูกของมันเองติดโตติดลากไม่เขาเขาหยุด <c oughs> มไม่ดัด <c oughs> มันบอกมันมองขึ้นมาข้างหลังมองเราไล่มันก็ไม่ไปมันบอกว่า ลากไม่อยู่ในหัวหมูไปไม่ได้ถ้าดันก็ไปได้อยู่แต่ว่าไถมันกระหักหนะไรไม่ดันหยุดตีไปก็ไม่ไปมันไปข้างข้า ง, ม, ม, ดดา ม, ง, งมันไม่ยอมดันข่าวย่นย้อนมันงกหัวลงมันไม่ยอมดันแต่แดงว่าลากไม่อยู่ในหัวหมูของไถ เอาเงไปค้ามเห็นโอ้มันลูกกว่าเราอีกด้วยช่องไปเโดยที่ไหนก็อยู่ด้วยกันมันลูกมันรู้มันชื่อโรยเฉยมันรูกจากเจ้าของลูกได้กลิ่นด้วยได้กลิ่นด้วยก็ใช่มันะ ต, ติที่ไปฝึกลูกฝึกน้ําเนี่ยมันเป็นนำมาอยู่ด้วยกัน เหมือนทิเบตหัวตัวดำๆหอัวตัวดำๆำกลายเป็นสีขาวหมดโพนไปทั้งตัวคนนอนเจ้าของนอนคนนอนด้วยคนเดินไปทั้งไหนก็ปล่อยด้วยวทด่สุดคนก็หายโคถึก็หายว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ถือมันไม่เป็นอะไรนะจากการพรกคัดามากรรมฐานมันถัดอปจริงๆลูกทำน้ำทำเน่ได้ประโยชน์ยอนใหม่จริงๆมันที่ว่าหลงมันก็ไม่มีอีกแล้วอันที่ว่าสุขวุทุ ก, ก็ไม่มีอีกแล้วมันมีแตดรู้ไปไม่ได้สอนนะวันนี้ ตัวงถูกมันบอกความผิดมันบอกความสุขความทุกข์มันบอกจริงเหล่านี้มันเกิดจากตัวใครตัวมันถ้าเราไม่สอนตัวเองก็ไม่เป็นนะไม่มีใครช่วยได้กรรมฐานเป็นสากลจักดิ์สิทธิ์ใครทำก็รู้คนนั้นไปไม่ทำก็ไม่รู้ทุกคน คนที่เป็นทุกข์เขาก็เป็นทุกข์ของเขาจริงจริงคนที่ไม่ทุกข์เขาไม่ทุกข์ของเขาคนที่หลงเขาก็หลงจริงจริงคนที่ไม่หลงก็ไม่หลงจริงๆริงตัวใครตัวมันแต่ถ้าหลงเขาไม่รู้เขาก็ไม่มีความไม่หลงได้มีแต่ความหลงเรื่อยไปจนตายจนตายไ ป, ตไป็มเวทตาไปก็ไอา้พันุ์ไปเลยจากความหลง ก็หลงกลายพันธไปไกลนะเมื่อกเกข้าวพันธ์ดีกลายเป็นข้าวหมาหยงข้าวหมาไม่อยากด้วยเจกว่าแม่ทองข้าแม่เพี้ยนข้หมาหยงนะจะเป็นข้าวเจ้าก็ไม่ใช่จะเป็นข้าวเหนียวก็ไม่ใช่เป็นข้าวหมาหยงหมาไ่อยาก เม็ดป้อมป้อมเม็ดน้อยนอยอเข้าหมาประหยากถ้าเกิดทนทานนะมันงามมันงอกเป็นงามทับท่วงพันเก่าๆกลายพันไปแล้วแล้วก็ลาต้นก็ขู่แข็งเวลาเก็บเกี่ยววันดกมันเกิดก่อนออกก่อนแสงไปก่อน นั น, นแก่ก่อนลายเกี่ยวมันก็หล่นลงมาลงเหมนก่อนหลนก่อนก็ลงในพื้นนา ต, นต้นตกมามันขึ้นมาเป็นเข่าเหี่ยเป็นเข่าเหี่ยด้วยจะเข้าเหี้ยไหมฮะเข่าเหี้ยโบราณถ้าว่าเข้าเหี้ยอย่าอมนมาบงหมาหลงอย่อมนมาเลี้ยง ผิดประเพณีเขาที่มันเกิดอยู่ตามต้นาน่ะมันเขาเหี้ยมันเข้าหมาอยางอย่าเอามาบ่งเอาบงคือมันปลูกถอนจากนั่นมาปลูกตัวนี้เหมือนเราบงผักเมอนจะแปลงก็มาบงเสร็แปลงนี่มันเพชรชันบ่ได้เขาหมาอยงเอาเพชรจังนเขาเหี้ยมาทําอย่างนั้นไม่ได้ ให่เข้เหี้ยอย่าเอามาบงหมาหลงอย่าเอามาเลี้ยงผิดประเพณีของคนเราขยันหลงหรือขอยันรู้ถ้าเราขยันหลงก็เรกว่าเข้าเหี้ยบงอยู่มยไม่หยุดไม่คัดพันหลงไปอย่างนั้นแหละไม่ใส่ใจตรงนี้นะเพราะพันอยู่เลยหลงให้เป็นหลงอยู่เลย ไม่ได้พันใหม่ท่านหลงเป็นรูด้วยใต้โยอดใหม่ได้พันใหม่คัดไปเรื่อยหลงเป็นรูสกุกเป็นรูทุกข์เป็นรูอร่อยก็เป็นรูไปเลยเนะี่ยจะได้พันใหม่คั่นใหม่นี้พันไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายพันเก่าคือรูปนามนี่มันแก่มันเก็บมันตายรูทำนามทำนี้ นามลูกมันเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์ลูกไม่เที่ยงลูกไม่ใช่ตัวตนมีความทุกข์เป็นเป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์ยางเอาแล้วลูกทำนามถับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์ย่างเอาแล้วลูกก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์ปิญญาณก็เป็นทุกข์ เป็นไปอย่างนั้นแน่นอนลูลกก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงใต้ของปลอมได้ของปล อ, อ, อมมามาให้เราใชา้เหมือนพวงแพ่ที่เราได้มาเอามาใช้อะไรเอามาใช้ขี่ข้ามฟากพวงแพรเอามาขี่ข้ามฟากฟากคืออะไรคือวัตถะ ข้ามวัตตะวัตตะคืออะไรวัตตะคือคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสคือความอยากกรรมกักรรมวิบากคือติดติดกรรม บางทีติดสุขติดทุกข์การติดที่เป็นกิเลสการที่ทำไปเปื้อนเป็นเป็นกิเลสสิ่งใดทำไมเศร้าหมองไม่เหมือนเดิมเรียกว่ากิเลสจิตของเราแต่ก่อนมันดีๆอยู่เนี่ยทำไมมันหลงมันโกรธอย่างเรียกว่ากิเลสทำไมจึงคิดพุ่งส่้านนานาวกิเลสเมื่อมันคิดพุ่งส่้ามันปิดอะไรขึ้นมาก็ไป การกระทําว่าเราว่าเราว่าเราโลสุขโลทุกโลสุขโลทุกอันเป็นกรรมแล้วนะเต็มตัวเราของเราเราโลสุขโลทุกโลสุขโลทุกติดเลยติดสุขติดทุกติดจิต劣ติดตัณหาราคทติดไปแล้วเป็นวิบากจิล劣กรมวิบากเป็นวัฏฏะได้ขีข่าฟ้าูหนามเลยถ้ามันไปติด เป็นวิบากล้วก็เอาอยากเอาอยากถ้าไม่ถ้าไม่ไมปฏิบัติไม่โต้ตอบไม่ักท่วงยิ่งชีวิตยิ่งนานไปจะยิ่งหนาแน่นมากพกโผลมากเหมือนดินพกหาหมูจนไม่ยังไม่มีครอบไม่ครัวเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่มีลูกไม่เต่ายังหมรีสุ์ แต่มันมีในใจในจิตวิญญาณในนามธรรมอาจจะมีเมียรพระหนุ่มพี่สาวอาจจะมีสามีด้วยมันมีนามมันมีสภาพนามธรรมมห่หมูผ้าปงแต่งไปสังขานไปนะในรักเจรนี้มันไม่มี ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักขอไม่มีใครใหเหนื่อมันได้ถ้าเราไม่ศึกษามีแต่สติที่เราปฏิบัติเด่าจัิจงจำเป็นจำเป็ น, ปนอย่าปล่อยความหลงให้หลงให้มีสติสตเอาแนะ่หลักของเรานะอย่าปล่อยให้สุขเป็นสุ ข, สขอย่าปล่อยให้ทุกข์เป็นทุกข์ อย่าปลอยให้มันเป็นอะไรจนเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นร้อยพันชาติเป็นอสงไขยแสนตสงไขยนับไม่ได้เป็นอเป็นมาลาทะเลหลงเป็นผู้หลงทุกเป็นผู้ทุกผู้โกรธเป็นผู้โกรธแสนไขยแสนขับแสนไข่นับไม่ถ้วนลึกมากเหมือนภูเขาพชุมเป็นสูงรอโยศกว้างรอโยศ เจ้าโล ย, โยุทมีเทวดาเอาผ้ามิสิินไปปัดจนภูเขาันนเรียบลงเรียกว่าสงไขยหนึง่งตามที่นับตมาลีเอากาหนึ่งทุกาสองทิตกาสมตกาสปัจจกาห้าะกาหกอตกาเจ็ดชะกาเจอักา8ดทกาเก้าทศกาสิบ ทิพที่เป็นชีพเป็นสงไขยนับไปได้มากวันที่เรามาทิ้งหรือว่าสะลึกโองโยดข่วงล่อโ ย, ยดยาวล่อโ ย, ยดมีเทวดาคนหนึ่งเม็ดสาเม็ดงามาทิ้งลงสิบปีเม็หนึ่งจนสานนั้นเต็มไปด้วยเม็ดงาเรียกว่าสงไข่นึง ตามพระติปิรกนะฮะผมมูกถุงาสมโพดในหลักในหลักต้องทำชั้นเอกนะมันเกินวันนี้เรามาถมมันถุงลู่ขึ้นมาลู่ขึ้นมามันหลงทีลู่ขึ้นมาแล้วหลงเป็นหลงมันจะลึกนะ สุขเป็นสุขมันจะลึกทุกข์เป็นทุกมันจะเลึกโลภเป็นโลภโกรธเป็นโกบมันจะเลิกมากบาะมันหลงไปลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเนี่ยถมหนึ่งวันเกิดวันลองดูหนึ่งเดือนเกิดเดือนหลงดูหนึ่งปีเกิดปีลองดูพยายามตรงนี้เมื่ออยู่ที่นี่ไม่มีที่ให้อยู่ให้นอนออกลมีข้าวให้กิน ดูแลกันชีวิตเราจรึงจะมีประโยชน์นะถ้าจะไปปล่อยตามปล่อยไปตามโลกรูกมันมีรสนะรสชาติของโลกนะมันติดนะทุกคนติดทุกก็ติ ด, กกตดในรูปในนามมันมีรสชาติถ้าไม่หลงของรสของโลกของนา ม, มันมันจะติดพลาติดแล้วก็โอ้เหมือนปลาติดเบ็ด ยอมตายเขาไปล่าไปสับไปแกงนี่เราจะต้องไม่ใช่เปล่าเราต้องติดมันล่ะสุขก็ไม่ไปติดมันทุกข์ก็อย่าไปติดมันรักก็อย่าไปติดเคียดชังก็อย่าไปติดถ้ารถของโลกมันติดนะก็โกรธก็ติดนะถ้ากูได้โกรธตายไป่ลืมนะ ทุ ก, ก็ติดเนาะอาจจะติดกุสุกนะทุกเนี่ยเขียวแน่นมากมีไหมใครเคยเอาทุก์มาอยู่ที่สุขโขทโธด้วยมีไหมน่าจะทิ้งไวบ้บาทมีนะนั่งร้องไห้ให้ดูนะเป็นทุก์ทุ ก, กะอะไรล่ะอาโหชัยทำไม่ละเสือมีขี้เหล้ากินเห ล, ล้ามามาทะเลาะ ก, กันนะ ถ้าจะตีจะหนีก็หนีไม่ได้เพราะมีลูกของลูกก็หายเล่าหายเลิกเล่าได้ไม่เมียใหม่สองคนสามคนคนหนึ่งก็พอทนได้สามคนสี่คนก็ก็ไม่ได้เป็นทุกขออย่ยาก็ไม่ยาทูกมีบุมีนะมา <laughs> มีนะ ผู้หญิงก็เหมืกันชายก็เหมือนกันผู้ชายมาเปรียบผู้หญิงนะผู้หญิงกาเปรียบผู้ชายมัไหฮะนีไหมผู้หญิงมาคยเปรียบผูนะบชชบ้ชายนะซือสัตย์นะผู้หญิงเํารวมระวังดีนะผู้ชายที่เยอะพราันหลงลอละไรอะก็บอกก็สนเออมันคนอ น, นี้จัง คนอันนี้จังพึ่งไม่ได้เขาวางแผนหนูวางแผนว า, างแผนอันนั้นเขาไม่ดีจริงๆเขาทำผิดจริงๆอย่าไปทุกข์เพราะคนทำผิดถ้าจะใช้ปัจจา ก, ก็น่าสงสารเขาช่วยเขาแต่ก็มีผู้หญิงอยู่ยนกความปฐมนะนานอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนี้เจ๋งมากนะ จะมีมีเม่ให ม, ม, ม่และเป็นเด็กด้วยมีขันตั้งขันเป็นเด็กสาวแล้วก็ก็เลยบอกว่าต้องรับผิดชอบเขานะพี่นะรับผิดชอบเขาไปอยู่กับเขาสาวไปดูแลเขามาแบ่งเอาเขาเป็นหลงกลึงนะ มาแบ่ง เ, เครื่องมือไปทำทำหลงกึงไปอยู่กับเขาดูแลเขาเขาเป็นเด็กนะฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วมีลูกเหมืนเจ้าแล้วม่นต้องห่วงไปดูแลเขาซะมาเลยไปมาแบ่งเอาทรัพย์สินสมบัติไปตั้งหลงคึงเครื่องมือไปตั้งหลงกึงก็ไปไม่โลดเมื่อไปไ่รอดก็ร่มเหลวร่มเหลว เด็เอวเมียเมียใหม่มาอยู่กับเมียหม่เมียเก่าเขาก็ยอมน้องนะน้องถ้าบ้ากินไปวัยสวยก็สามีก็มาบวชเห็นน้ำใจของผู้หญิงเหม็นพระองค์หนึ่งเลยขนาดดี้ทำไรเน้องผู้หญิงแบบนี้เนาะมาบวชคนที่สุยกพ่าสามีมาบวชอ่เมียใหม่ก็ไม่ได้อยู่กับเมียเก่าแล้วพ็หนีไปหาทำงาน ก็เลยห่างกันแตเพรเลยบวดอยู่สึกหรือเปล่าก็ารู้แล้วชิบกว่ปีมาแล้วมีเหมือนกันนะผู้หญิงแบบนี้นะแต่มีมากไหมไม่อาจจะไม่มากนะเนาะอันน้เนี่ยมีนะทุกมีนะถ้นเรารู้จริงๆเรามารู้รูปรู้น้ำเนี่ยโอยเพิ่งเดียวนะอโอ้ตตื่นนะตื่นกระโดดัอนนี้ก็ทู เราอยู่ดีมันโจรมาเลยโดดอย่างใครแต่ท่ามันกระโดดได้สะดวกเวลาได้มันหลงสะดวกแต่คนไม่หลงนะเปอะไรมันทุกสะดวกคนไม่ทุกนะกรรมฐ า, านเป็นอย่างนี้นะกระโดดได้มากที่สุดในตอนนี้นถ้ามันเป็นตื่นทุกหลุดพุทธทู่เราพูดเจ้าพุทธทู่เราเป็นภาษาบาลเราก็ปัดทู่ มันปาดทูดที่มันตื sushi, ่นน oh, oh, <v> <laughs> ั okay, ่นไงแก่ปาดตัวต ah. ัวต well ัวต um, <met> ัว <fish> ัมันวันนี้เป็นพระหัวรุ่นหนุ่มพระเหลืองขนก่าไหวไหมงู้นขนาดนี้หรือเนี่ยทูดอุ่นขึ้นมาเข้มแข็งตอนที่มันอ่อนแอนะนั่นเนี่ยมันช่วยได้นะปฏิบัติธรรมมันเป็นเครื่องมือยอดเยี่ยมเลย มีสติไปในกายทุกตัวนี่โอ้ยเหมือนอยู่บ้านพ่อสติเหมือนอยู่บ้านพ่อนะบ้านแม่อุ่นใจอุ่นใจเล้วลูกที่ใดเหมือนพระเจ้ า, จาอยู่นี้พระเจ้าอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วเนี่ยลูกพระเจ้าทำอย่างนี้ลูกอย่างนี้จะหมาถึงพ่อเทียนลูกอย่างนี้โอ้สิงที่เราหลงหลงก่อเทียนไม่หลงแล้วพระเจ้าไม่หลง จิตเราทุกข์พุทเอียนไม่ทุกข์หรือพุทธเจ้าไม่ทุกข์อู้คือทำตัวนี้นะรู้ทำตัวนี้รู้ทำอย่างนี้ด้วยอู้ทำผู้ได้เห็นธรรมพรุทธเจ้าผู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าพนทธ้าเห็นพระธรรมเห็นชิงเนียงด้วยกันพูทธเ้เห็นธรรมพุเ้าเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะมันหลงมันจึงเป็นอย่างนั้นเหตุที่มันเป็นสุกเป็นทุกข์เพรมันมีจิตธาเพราะมันหลงโอ้ปฏิจจทัศน์มันพออย่างนี้เพราะอย่างนี้พนี้ ตั้งต้นรู้ใช่ไหมไม่ต้องไปโงาา่ไม่ชอบทำไมจึงเป็นงั้นทําไมจึงเป็นอย่าง น, น, งางนี้ไม่ได้พูดชักคําลยกลับมาในอย่างสบายเลยเวันนี้จะต้องไปผูกขอ้อธงต้งแต่เช้าไปประชาสาัมพันประทศเจ้าก่อนก่อนนะอขอรถไปถ่งเจ้าหน่อยได้ไหมไป เ, เอาสักนี้นะ